บทนำอาตมารู้สึกอยากแสดงออกอย่างจริงจังเพราะมันสำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเราหากไม่มีโอกาสแสดงออกเราก็จะขาดความคิดสร้างสรรค์ไปมันเป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งแต่อาตมาก็ยังขู่เข็นตัวเองให้ละวางมันไม่สำเร็จหลายครั้งที่อาตมาหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็ต้องวางลง หลายๆอย่างในจิตใจมันช่างถ่ายทอดเป็นถ้อยคำได้ยากเหลือเกินโปรดอย่าคิดว่าอาตมากำลังเทศนาอาตมาเพียงแต่อยากจะเล่าถึงมุมมองของตัวเองความรู้สึกข้อสังเกตซึ่งสำหรับอาตมาแล้วมันเป็นประดุษสัจธรรมรู้ดีว่าหลายๆอย่างที่เคยพูดไว้อาจถูกตีความผิดผิด และอาจมีคนนำมาใช้โจมตีได้แต่อาตมาจะอธิบายความคิดเห็นของตนเองให้ชัดเจนในจุดหมายสั้นๆได้อย่างไรต่อให้เป็นการพูดคุยก็ยังใช่ว่าจะอธิบายเป็นถ้อยคําได้ง่ายๆแต่อาตมาก็พยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาแม้บางแห่งบางตอนอาจจะไม่ตรงกับพระคำภีนัก อาตมาก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเห็นด้วยกับอาตมาไปเสียทุกอย่างและไม่ได้บอกว่ามันเป็นศัจธรรมแห่งสากลโลกมันเป็นเพียงความเห็นของอาตมาที่แสดงไว้เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2529อาตมาก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับทุกๆสัพพสิ่ง ต้องขอโทษเอาไว้ตรงนี้หากเกิดความผิดพลาดอัตมาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่หงุดหงิดได้ตลอดเวลาหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าอัตมาคงจะมีความสุขเสียทีต่อไปนี้คือเรื่องราวของอัตมาอัตมาเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่ชาวพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2490 และเล่าเรียนในโรงเรียนมิชเนอรี่โรมันคาทอลิกแห่งหนึ่งเป็นคนชอบอ่านและอ่านแทบทุกอย่างที่มีในจักรวาลนี้เมื่อเริ่มเป็นหนุ่มอาตมาถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะไม่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใดๆหากจะถามว่าแล้วตอนนี้อาตมาศรัทธาเชื่อมั่น ในศาสนาหรื อ, อยังก็ใครเล่าจะรู้อนาคตอาตมาคิดอยากจะบวชเป็นพระพิสุมาตั้งแต่อายุสิบเก้าปีแต่ก็เลือกเข้าเรียนในมหาวิทยลาลัยแทนแล้วก็พบว่าการศึกษายังไม่มีคำตอบที่อาตมาพอใจได้จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สิ่งที่อาตมาพบก็คือคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ไ ข, ขว่คว้าหาลาบยศเงินทองและความบันเทิงเริงใจมันช่างเป็นชีวิตที่ตื้นเขินสิ้นดีด้วยเหตุนี้อาตมาจึงตัดสินใจว่าดิ้นรนเล่าเรียนต่อไปอีกก็ไร้ประโยชน์อาตมาคงทนอยู่อย่างนั้นต่อไปจนชั่วชีวิตไม่ได้แน่ จึงตัดสินใจละทิ้งครอบครัวออกมาทั้งทั้งที่รักลูกสาวเหลือเกินแต่มันไม่มีที่ว่างสำหรับอาตมาในสังคมที่แก่งแย่งจริงดีแบบนั้นการบวชเป็นพระภิกษุและอยู่ป่าดูจะเป็นชีวิตที่เหมาะกับพื้นนิสัยและอารมณ์ของอาตมาที่สุดโยมยายของอาตมาเป็นชาวฉาน ชาวฉานคือชาวไทยใหญ่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศพมา่ารัฐฉานเป็นรัฐใหญ่ทางภาคตะวันออกของสหภาพพมา่าโยมยายของอาตมามีชีวิตยืนยาวและใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบจนจากไปเมื่ออายุราว80ปีตอนนั้นอาตมาอายุแค่14ปี อาตมาสนิทกับท่านมากและยังคงนึกถึงท่านอยู่เสมอๆ อ, อาตมาชอบชาวฉานเช่นกันพวกเขาเป็นคนนุ่มนวลชาวฉานมากมายอาศัยอยู่แถบเมีเมียวปัจจุบันเรียกว่าปินอุลวินในจังหวัดมันทะเลบ้างก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเยชานโอที่พวกเราอยู่และยังมีที่ปู่บ้านเยงเอ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวฉานและพูดภาษาฉานด้วยยิงแก่ชาวฉานหลายคนดูคล้ายๆกับยมยายของอาตมาเงียบสงบเรียบง่ายเตียมด้วยเมตตาอดทนพอเพียงสงบเสงี่ยมแต่มากด้วยไมตรีจิตเราแทบจะหาคนแบบนี้ไม่พบในนครสมัยใหม่คนร่ำรวย มักจะขี้ระแวงห่วงแต่ว่าจะโดนหลอกเอาเงินคุณถามถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวของอาตมาคงต้องตอบว่ามันไม่เคยเป็นสุขเลยคนเดียวในครอบครัวที่อาตมารักก็คือพี่สาวท่านรักอาตมาเสมอแม้จะไม่เคยเข้าใจอาตมาเลยก็ตามใช่อาตมาไม่เคยรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นอัตมาเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองสักวันหนึ่งอัตมาอาจจะกลับไปเยี่ยมโยมพี่สาวอีกสักครั้งความสัมพันธ์กับโยมพ่อโยมแม่เข้าข่ายเป็นแบบทั้งรักทั้งเกลียดท่านทั้งสองถึงแก่รมไปแล้วเมื่ออยู่บ้านอัตมาจึงเหงาและเดียวดายมากเข้าใจความรู้สึกของคุณ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวดีทีเดียวช่างมันเถอะเรามองหาความรักความเข้าใจจากที่อื่นก็ได้อัตามามีชีวิตอยู่ระหว่างสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเกิดในพมา่าแต่ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแนวตะวันตกแล้วยังได้สัมผัสกับศาสนาที่มีความแตกต่างมากมายทั้งพุทธ คริสเตียนยิวฮินดูอิสลามรวมทั้งลัทธิวัตถุนิยมจากปรชัชญาแล้วจบลงที่การไม่เชื่อมั่นศรัทธาจริงใจในเรื่องใดสักอย่างเดียวอาตมาศึกษาจิตวิทยาตะวันตกทั้งฟรอยด์จุงแอดเลอร์โรเจอร์สเหลียงวิลเลียนเจมส์และนักจิตวิทยาอื่นๆ อ, อ, อีกหลายคน ทั้งยังศึกษาปรัชญาตะวันตกตั้งแต่โซเครติสพราโตอริสโตเตนเฮเกลคานเบิร์ดแรนรัสเซลวิเคนสไตบิร์กชันและอีกมากมายจนทำให้คนคนหนึ่งสับสนได้ทีเดียวแหละอาตมาเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าอ่านทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ล้ำยุคมามากมาย รวมทั้งเรื่องหลุมดำจึงเข้าใจจำแจ้งเลยทีเดียวว่าคนเรามั่นใจในทุกๆอย่างน้อยนิดเพียงใดใช่อาตมาต้องการอิสรภาพมากเรื่องนี้เราต้องเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นอิสรภาพของอาตมาไม่ได้มีไว้ซื้อขายการต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่หนึ่งที่ใดนานเกินไปทาให้รู้สึกเหมือนถูกจองจา อาตมาคือราชสีตามประเพณีของพมา่าชอบที่จะท่องไปบนขุนเขากว้างใหญ่เยี่ยงสิงโตภูเขาอ่าอิสรภาพอาตมาทนข้อจำกัดความผูกพันหรือการผูกมัดใดๆไม่ได้ทั้งสิน้นแม้แต่การยึดติดก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยชื่นชอบเพราะมันจำกัดอิสรภาพผู้คนมักยึดติดกับอาตมา ซึ่งเป็นอันตรายต่ออิสรภาพของอาตมาอย่างยิ่งอาตมาไม่คิดว่าจะยอมแลกเปลี่ยนอิสรภาพกับอะไรได้ตอนนี้อาตมาตามรู้สิ่งที่เป็นคุกจองจำจิตใจของตัวเองได้มากขึ้นทุกทีทุกทีแม้จะศึกษาพระไตรปิฎกมามากแต่ทุกครั้งที่เข้าไปอย่างรู้หรือเข้าใจสิ่งใดในใจได้กระจ่างแจ้ง อาตมาเขายังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนนักสำรวจที่ค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่นั่นเองการค้นพบสัจธรรมอันเรียบง่ายเหล่านี้ด้วยตนเองช่างเป็นความสุขล้นยูเรกาซึ่งเป็นภาษากรกีกแปลว่าฉันพบแล้วอาตมาพบแล้วอาตมาแทบจะทนผู้คนที่พูดราวกับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งๆ ท, ที่แค่อ่านมาจากตำราตำราไม่ได้เลยแต่บางครั้งก็จับได้ว่าตัวเองก็ยังทำอย่างนั้นอยู่บ้างเหมือนกันเพียงแต่ทำน้อยลงเรื่อยๆอัตมาคือราชสีห์แห่งขุนเขาเดียวดายแต่ไม่เหงาอีกต่อไปเพราะเรียนรู้แล้วที่จะอยู่ตามลําพังบางครั้งอาตมาเคยอยากเล่าความเข้าใจอันลึกซึ้ง ให้คนอื่นฟังแต่ยากจะพบใครที่ฟังแล้วรู้เรื่องในสิ่งที่อาตมาเล่าว่าควรจะเข้าใจและเห็นคุณค่ามันอย่างไรส่วนใหญ่อาตมาเป็นฝ่ายฟังเพราะคนชอบมาคุยด้วยความต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงใครคือความปรารถนารุนแรงที่สุดของอาตมา อิสรภาพมีหลากหลายรูปแบบและระดับอาตมาคงต้องยอมเดินไปตามทางที่ธรรมชาติของตัวเองนำไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามอาจต้องยอมให้หมู่มิตรผิดหวังมีผู้คนคาดหวังในตัวอาตมามากมายเหลือเกินแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะช่วยให้ความคาดหวังของเขาสำฤทธิผล อาตมากำลังมุ่งหน้าไปสู่อิสรภาพของตัวเองมีใช่หันย้อนกลับไปหาการอยู่ร่วมในกรอบของสังคมอีกอาตมาเคยอ่าน Memories, Dreams, Reflections ของเขาจุงความคิดของเขาน่าสนใจดีบางอย่างที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองช่างเหมือนกับตัวอาตมาและนี่คือข้อความบางตอนของเขา เมื่อเป็นเด็กฉันรู้สึกเดียวดายแม้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉันรู้แจ้งในสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าคนอื่นไม่รู้และคนส่วนมากก็ไม่ได้อยากรู้ความเปล่าเปลี่ยวมิได้มาจากการไม่มีผู้คนรายล้อมแต่หมายถึงการสื่อสารสิ่งที่ตนเห็นว่าสำคัญยิ่งกับผู้อื่นไม่ได้หรือหมายถึง การยึดมั่นในความเห็นที่ผู้อื่นไม่ยอมรับดังนั้นใครก็ตามที่อย่างรู้มากกว่าผู้อื่นล้วนต้องเป่าเปรี่ยวเดียวดายกันทุกคนแต่ความเป่าเปรี่ยวนี้ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับการสร้างมิตรภาพแต่อย่างใดเพราะไม่มีใครอ่อนไว้กับมิตรภาพเกินกว่าคนเป่าเปรี่ยวหรอกอีกทั้งมิตรภาพจะเติบโตงอกงามได้ก็ต่อเมื่อ แต่ละฝ่ายระลึกว่าต้องจดจำความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้ได้โดยไม่พลั้งเผลอคิดว่าตนเป็นคนอื่นเมื่อพูดถึงการกลับมาเกิดใหม่ในกรณีของอาตมาเหตุปัจจัยของอาตมาที่มาเกิดใหม่น่าจะมาจากแรงผลักดันที่ต้องการกรู้แจ้งเพราะดูจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มข้นที่สุดในธรรมชาติของอาตมา สิ่งที่ฉันได้ประจักษ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรยอมรับว่าความคิดที่เกิดขึ้นในจิตของเราคือความคู่เป็นจริงส่วนหนึ่งในชีวิตด้วยและแม้ว่าการคิดตัดสินแยกถูกผิดจะเกิดควบคู่มาด้วยตลอดเวลาแต่เมื่อไม่ได้ผูกมันไว้เข้าด้วยกันมันจึงถูกกันออกไปอยู่วงนอกเพราะจิตให้ความสําคัญ กับความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นมากกว่าความคิดผิดชอบชั่วดีที่มีต่อความคิดนั้นซึ่งกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันกระนั้นก็ตามเราควรจะรับรู้จิตที่กำลังตัดสินผิดชอบชั่วดีต่อความคิดเหลอานั้นด้วยแทนที่จะกดทับเอาไว้เพราะมันก็คืออีกหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นพึงมีสติตามรับรู้ทุกอย่างผู้ที่ยังไม่เคยผ่านอารมณ์รุนแรงราวกับเพลิงแผดเผาย่อมยังไม่สามารถเอาชนะมันได้มันแค่ไปแอบซ่อนอยู่ข้างบ้านอย่างเงียบกริบรอเวลาที่จะปล่อยเปลวเพลิงแลบลามเรียออกมาเผาบ้านของตัวเองให้วอดไวายได้ทุกเมื่อพึงระวังด้วยว่า การที่เราล้มเลิอกอะไรสักอย่างละทิ้งมันไว้เบื้องหลังแล้วก็ลืมเลือนไปมักจะก่ออันตรายอย่างรุนแรงเมื่อสิ่งที่เราละเลยนั้นหวนกลับมาใหม่ด้วยพลังรุนแรงกว่าเดิมอย่าเอาแต่นั่งทับอารมณ์รุนแรงของตัวเองไว้พึงเอาสติตามรู้มันสำหรับอาตมาการผ่านอารมณ์ไม่ได้แปลว่า ปล่อยอารมณ์ออกไปแต่หมายถึงการตามดูมันเรียนรู้จักมันด้วยสติที่จริงแล้วยิ่งรัตทิบูชาความก้าวหน้ากดดันให้วิ่งหนีจากอดีตมากเท่าใดก็จะยิ่งผลักไสเราให้ถลำลึกลงในความฝ่ฝันถึงอนาคตแบบเด็กๆมากขึ้นเท่านั้นการปฏิรูปที่เกิดจากความก้าวหน้าเช่นวิธีการหรืออุปกรณ์ใหม่ๆนั้น มักประทับใจในตอนต้นๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปบ่อยครั้งที่พบว่ามีสิ่งหน้าเครือบแคลงแอบแฝงอยู่และกลายเป็นบทเรียนราคาพแพงไปในที่สุดไม่มีทางเลยที่ความก้าวหน้าแบบนั้นจะเพิ่มความสุขและพอเพียงให้มนุษย์ได้ตรงกันข้ามมันเป็นเพียงสิ่งหลอกลวงที่เคลือบไว้ด้วยความหอมหวานอาทิเช่นในทุกวันนี้ การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆกลับกลายเป็นตัวเร่งให้ชีวิตเป็นทุกข์เพราะความเร่งรีบจนเรามีเวลาเหลือน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากฉะนั้นพึงอยู่อย่างเรียบง่ายเท่าที่จะทำได้ฉันเคยอยู่มาแล้วโดยไม่มีไฟฟ้าใช้เราก่อเตาผิงและเตาไฟเอาเองยามค่ำคืนเราก็จุดตะเกียงใบเก่า ไม่มีน้ำประปาฉันสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาใช้ผ่าฟืนเองปรุงอาหารเองการดำรงชีวิตอย่างง่ายๆแบบนี้ทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายตามไปด้วยความเรียบง่ายนี่มันเอาการอยู่นะที่บริเลนเจนเราแทบจะสำเนียกความเงียบที่รายล้อมเราได้ที่นั่นฉันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ท่ามกลางความสงบสงัดที่เหนือคำพรรณนาใดๆชีวิตที่หอคอยแห่งบเลนเจนหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งด้านเหนือของทะเลาสาบซูริคซึ่งข่าวจุงซื้อที่ดินแล้วสร้างหอคอยเพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันคล้ายกับการใช้ชีวิตอยู่ในสตวตรรษต่างๆคู่ขนานกันไปเพราะสถานที่มันอายุยาวนานกว่าฉัน ผู้เข้ามาอาศัยอยู่อีกทั้งสไตล์ของมันตลอดจนสถานที่ตั้งก็พาย้อนหลังกลับไปสู่อดีตแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เตือนให้เรานึกถึงปัจจุบันหากคนที่เกิดในศตวรรษที่สิบหย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่คงจะมีเพียงแค่แตะเกียงน้ำมันกา๊าซและไม่ขีดละมังที่เป็นของใหม่สำหรับเขาอื่นๆนอกจากนั้นเขาคงคุ้นเคยได้ไม่ยาก ที่นี่ไม่มีอะไรจะรบกวนดวงวิญญาณของผู้จากไปแล้วได้ไม่มีทั้งแสงไฟและเสียงโทรศัพท์เข่าจุงบทความของเขายังมีเหลืออีกยาวทีเดียวแต่อาตามาคงจะพอไว้แค่นี้ก่อนคุณคงเบื่อแทบตายแล้วกระมังอาตามาคิดว่าตัวเองคงเป็นพวกหัวรั้นอยู่บ้างและรั้นมาตลอดชีวิต ความใฝ่ฝันของอาตมาก็คือได้อยู่ลึกขึ้นไปบนขุนเขาห่างไกลจากความอึกทึกและผู้คนมีสมบัติน้อยชิ้นเฉพาะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่กับความเงียบสงัดและสงบสุขคุณอยากรู้ว่าอาตมาเคยร้องไห้หรือไม่นะรึกใครบ้างละ่ะจะเชื่อว่าพีส่สกกุแก่ๆอย่างอาตมาจะมีน้ำตาไว้ร้องไห้ ธรรมชาติของอาตมาเปรียบได้กับถ่านไฟที่คุดแดงอย่างช้าๆไร้เปลวไฟแต่ยังคงคุไมไหมอยู่ตลอดเวลาอาตมาไม่ต้องการคำวิภาค์วิจารณ์ตัดสินใดๆอยากได้แค่ความเข้าอกเข้าใจอาตมาไม่ใช่มนุษย์สมบูรณ์แบบหรอกนับวันอาตมาก็ยิ่งห่างจากความสมบูรณ์แบบออกไปทุกที และกลัวพวกช่างวิพากวิจารเอาเสียจริงๆอัตมาอยากอยู่ตามลำพังเขากล่าวกันว่าพระพิสุไม่ควรยึดติดกับใครหรืออะไรแต่อัตมาก็ยังทำไม่สำเร็จอัตมาหาได้เป็นแค่พระพิสุรูปหนึ่งแต่ยังเป็นมนุษย์ที่ไม่อยากเด่นดังแค่ภาคเพียรที่สุดที่จะเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตในจิตในหัวใจแค่คนธรรมดาธรรมดาที่ไร้ชื่อเสียงและไม่เหลือร่องรอยใดๆไว้เมื่อตายจาก